ต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้การขาหน้าสอง้ยหกนะครับถึงโพชนะวักข้อสุดท้ายแล้วโอ้แต่ว่ า, าลกลาา็ยังไม่รู้กานค้ามาดูที่นังสือบอสสุวิธีครั บ, รบข่าวหน้าร้อยเจ็ดสิบห้าข้อที่สี่สิบเป็นโพชนะวักข้อที่สิบข้อสุดท้ายนะครับที่สู่รูปใดเพิ่งเกินอาหาร รวมของที่กินกินได้ทุกอย่างแม้แต่งผงที่ตกลมในบาทที่ยังไม่ได้รับประเคนร่วมลำคอยกเว้นน้ำาปล่าและไม้ชํำระฟันต้องอาบันปางสิตใีการประเคนต้องอยู่ใกล้ๆยกขึ้นแล้วน้อมถวายเนี่ยนะเนี่ยสื่อสามคนนี้คือกักว่ากินกินอาหาร โดยที่ยังไม่รับประเคสเครับต้องแบบฟัิตีเขา อ, อาหารในที่นี้เนะี่ยไม่ได้เอาเฉพออาะอยาวาัคซีนลิปอย่งเดียวนะครับเอาทุกอย่างเลยที่เด็ดคืนเข้าไปได้นะเอาการกทั้งสี่เลยนะครับอาห า, นะารน้ำปลาหน้าสตางหา์แล้วก็ยาตลอดชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยจะว่าแม้ขนาดปุผมผงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับถ้าไมรับประเคสนะเด็ดคืนกินเข้าไปนะ ก็จะเป็นําบัดไปตีในสีขาวนิดนี้เท่านั้นนะครับโยแว้นแต่น้ำน้ำนี่ต้องโอเคน้ําป่านะครับถ้าน้ําหวานน้ํำยาน้ำฟันน้ำไม่ต้องโอเคนะโดยเฉพาน้ําป่าแล้วก็ไม้ชำระฟันครับไม้ชำระฟันนี้ไม่ต้องโอเคก็ได้ถ้าเลยใช้สีฟันเฉยๆนะเอาไว้สีฟันเฉยๆแต่ถ้าจะดูดน้ําของไม้ชำระฟันเข้าไปน่ะก็ต้องโอเคอยู่ดี ถอยนะที่มาเคี้ยวใช่ไหมอันนั้นถ้าเราจะดูดน้ำมาเข้าไปด้วยนี่ครับก็ต้องรับประเคียนก่อนนะไหมช้างฟันครับอันนี้คําว่าอพึงเกินอาหารเนี่ยให้ล่วงลําคอเองครับอาหารที่เไม่รับประเคียนให้ล่วงลำคอเนี่ยไม่ธหรมะเพราะว่าอาหารนี้ต้องผาเข้ามาทางฝ่ายเดียวนะแม้มันจะเข้ามาทางจมูกก่อนนะครับหรือว่าเข้ามาทางตาก่อนแล้วไหลลงคอนะ ถ้าของนะั่เยืแม่เรประเคนนี้ไม่ได้นอกจากว่าเป็นในตัวเราเองนะน้ำมูกน้ำลายมันมีปัญหาของเราเองนะครับยังไม่หลุดออกจากการเนี่ยมันยังไม่กระเด็นออกไปข้างนอกเนี่ยก็ยังไม่ขาดประเคแต่ถ้าเป็นของอย่างอื่นเนี่ยบางทีพวกยาต่างนะครับยาพ่านจมูกนะเราพ่านก็ทางจมูกใช่ไหมครับแต่ว่าน้ำยาอมก็จะไหลลงคอในยาหยองตามาอย่างเราหยาอดที่ทาตาแต่มันซึมกันนะครับ ถ้าก้มยอะไรางที่คอนะเพราะนัยาเพราะนั้นอถิ่นยังไ ม, ม่ได้ผ่านเข้าปากในตรงใช่ไหมแต่มันจะไหลลงคอได้นะครับก็ต้องรับประเคีงก่อนให้รับประเคีงก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่รับประเคีงก่อแล้วมันเข้าไปลําคอใช่ไหมก็จะต้องแบบไปกีนในคอนี่เหมือนกันนะครับมครับ mm hmm. มาทั้งนั้นนะไ อ, ไอ้ที่มันจะเข้าลำคอนะถ้ายังไม่เข้าลำคอก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามัา น, านเข้ามพอถ้าเผลอเนี่ยมีน้ำมีอะไรมักเข้าไปางเงี้ยนะเขาเป็นแต่ถ้ายังไม่เข้าก็ยังไม่เป็นนะแต่คนไม่เข่ายังพยายาสุดทางเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาแต่กูลงหลอกแตพอนนี่หละนไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้ติกากนะติกาไปอีกทีนะครับเจีนาไม่เจียนาโดยท้องนั้งแต่แต่กาด้วยนะครับไม่ได้เลยจะรู้ไม่รู้ไม่ตั้งใจแม้ขนาดว่าฝุ่นอะไรฟุ้งปุจุยขึ้่มาใช่ไหม เมื่อตั้งใจมันฟุ้งเข้ามาในปากเข้ามาในคอเนี่ยเราก็ต้องคายออกนะครับถ้ามันรู้ใช่ไหมเป็นฝุ่นอย่างๆนั่นนะครับมีทรายอะไรๆฟุ้งเข้ามาในคอเ่ยนั่นไม่รเราประเคงแล้วก็ต้องคายออกนะนี่แหละเราเราจโพูดเรื่องอะไรเนี่ยมาแรงินเข้าปากเข้าคอเนี่ยนั่นแหละก็ต้องอะมาขึ้นนั่นแหละยังไม่รับประเคนยังไม่ได้ประเคนนะครับไม่ได้ไม่ได้ แล้วรู้แล้วก็ต่ออาบมติ่นั้นเองครับเพราะว่าถ้าเจตน้ําเจตนาจงใจต้องราเมื่อไม่มีมันก็ไม่ได้เป็นอันผิดใช่ไหม mm hmm. แต่เป็นอามบัตแล้วก็ทําคืนแค่นั้นเองครับ mm hmm. ก็ไม่มีปัญหาอะไรนอันนี้นะคะสบายพอข้าวนะเดี๋ยวจะพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นด้วยทีนี้กลับมาดูต้นมันใหญ่กนะัเรื่องนี้ใครเป็นต้นมันใหญ่ เรื่องนี้ท่านใจที่หลังก็เอียดเลยนะนพวินัยผิดตรงนะครับห้าร้อยห้าสิบห้านครับเรื่องที่สุรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นคุณพร า, าพาผู้เจ้ากระทําอยู่นั่งสุตาคารศาลาป่ามะหาวันเขตพระนครเวสาลีครั้งนั้นที่สุรูปหนึ่งเป็นผู้มีปกติถือของทุกอย่างเป็นบางสุขุลสํานักํานักอยู่ในสุสานประเทศท่านก็อยู่ใ น, นป่าช้านะครับ ถีอของทุกอย่างมับางสุกคุลหมดเลยนะท่าก็บางสุกคุลบาตก็บางสุกคุลแบบที่เข้าไม่ถวายนะครับถ้าก็แบาบางสุกคุลในป่าช้าอยนั้นเองนะครับทุกอย่างไม่แต่เตียงต่างก็ที่เขาทิ้งในป่าช้าครับหมดในนะันทุกอย่างบางสุกคุลหมดเลยนะครับถ้าไม่ป่าถนาจะรับอาหารที่ประชาชนถวายเพราะถ้ารับมาเขาถวายเนาะมันไม่เป็นบางสุกคุลนะครับ <laughs> จะต้องบางสุกคุลเท่านะั้น นี่นะท่านก็นเลยเที่ยวถือเอาอาหารเครื่องเส้นเจ้าตามป่าชาบ้างตามคนไม้บ้างตามค่อนีประตูบ้างที่ก็ไปวางไว้เนะี่ยท่านก็ไป บ, งบังสุกุลมาฉันมาฉันเองประชาชนต่างก็เพ่งเข้าจิตเตียมพุทนาว่าฉไฉนที่สุนี้จึงได้ถือเอาอาหารเครื่องเส้นเจ้าของพวกเราไปฉันเองเล่าที่สุนี้้วนล่างคือทั้งนวนแล้วก็ทั้งล่างนะร่างกายก็ล่างสัม บางทีจะฉันเนืยอมนุษย์ครับถ้าเข้าใจว่าคนที่ฉันเนื้อมนุษย์เนะี่ยรูปร่างกายเนี่ยนะแล้วก็ทําตัวแปๆนี่นะครับทีนี้พิสูจทั้งหลายดินประชาชนพวกนั้นเพ่งเท่าดิเตรนพุทธนาอยู่บรรดาที่เป็นผู่มั่งน้อยสันโดแต่ก็เพ่งเข้ามีเตรนพุทธนาว่าชะไหนพิสูจน์จึงได้เกิดอาหารที่เขายังไม่ได้ให้คือยังไม่ได้บอกเคเนี่ทีนี้ร่วงช่องปากลอกแล้วกาพึเนื่อง รู้สึกว่าใ น, นเป็นรูปนี้นะถ้าจะพูดอีกที่หนึ่งนะครับที่ไปเอากะโหลกศีรษะของคนตายนะมาทําเป็นบาท น, นะครับและก็ขับบินทบาทไปหมู่บ้านนะประชาชนเห็นเข้าช่างบ้านก็ร้องเี้นะอีสานะครับเพราะตกใจกลัวนะผู้ดวงก็เลยห้าม น, นะครับไม่ใช้กระโหลกศีรษะมาทําเป็นบาท น, นะไม่ได้นะครับ เนี่ยน ะ, ะสมัยก่อนนะมีภาพที่ทำายใหญ่แปลกนี่ครับนี่น ะ, ะนี่นะาต้นบันหญ่คือรูปนี้นะครวงก็เลยทรงสอบถามทรงสิเตียนแล้วก็บันหยติสิขาบทนี้ขึ้นมาถ้าบัญญยติขั้งแรกมีแค่นี้ค่ะับ ว, ว่าอันหนึ่งพฤสูดใดเกิอาหารที่เขายังไม่ได้ให้ร่วงช่องตาเป็นฟาิตี ก็ก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกนะก็ในสมัยนั้นแลพิสุพากําลังเขียนน้ําและไม้ชํำระฝันพรอพระเจ้าเบียสิกขาบทนี้แล้วท่ครับที่สุนี้ก็กลังเขียนน้ําและไม้ชํำระฝันเคือท่านไม่ได้ใส่ใจเพี้ยนชนะให้ดีพระองค์ต่างว่าเกิดอาหาใช่ไหมท่านไม่ได้ใส่ใจเพี้ยนชนะให้ดีนะครับท่านเลยกำลังเขียนน้ำและกไม้ชำนะฝันไปด้ว่อยพิสุทั้งหลายได้การคุงเรื่องนั้นแบบว่าผ้าเจ้า หลางพ่อเจ้าส่งอนุ ญ, ญาตว่าดูกรพิสุทฆ์ทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ถือเอาน้ําและไม้ชํานักฟันเองแล้วบริโภคได้ครับและก็อนุ ญ, ญาตบางอย่างมาเป็นสิ่งที่เราได้อ่านมาแล้วอันนี้นะอันนี้นะครับเพราะหน้ายางสีฟันนี้ก็ต้องรับประเขนไว้ให้ที่มันจะเข้าปากอาจจะเผลอขึน้นไปได้ไนน ว, วิญญาณโยมมาถวายก็รับประเขนไว้ก่อน ฟ อ, องละแบบนั่นแหละถืว่าบัคเคเนไปในตัวแล้วก็สังเกตว่าดังนั้นถ้าเขาใส่เขาไปในปานก้าถือว่าเป็นการบัคเคได้นะ<อ>นะครับอย่าไม่ไม่จะเปไ็นว่าจะต้องใช้มือบัคเคนอย่างเดียวนะครับแม้ว่าพิสูจน์อาภาษ่วยเนี่ยนะท่านไม่ได้เขาป้อนทางปากก็ใช้ปากมือคือบัคเคอันนี้ได้นะครับให้อาหารทางสายยาก็เอาจมูกมันเนป็นรูบัคเคได้หมดนะครับ เอาเว้ว่าสุดเลยสุดหนึ่งแม้แต่ปลายเท้านะก็ใช้รับประเคหน้านะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้ปลายเท้ารับประเคมันไม่ดีใช่ไหมชามา้าจะมีสิ่งไม่ดีแต่ความจริงได้นะครับใช้ป่าย็จะหมูกมารับประเคได้หมดครับ่มปัญหาเลนคือผมไม่ได้นะคะหมายถึงประเด็นที่เราปว่าไม่ได้ทำเองแต่คือทำให้ก็ไม่เป็นการแบเคินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องมาทำเองเนี่ย ค้าคุณทำไม่เราเราก็ใส่จใจไว้ของเราเองแล้วก็อันนี้ในคําอธิบายก็มาดูในการขายได้เลยครับนี่ก็เป็นคำนัยในการขายได้เลยตรงนี้ละเอียด น, นะตรงนี้ละเอียดครับถ้าสองร้อยหกสิขาบทที่สิบอธิบายทําต์โปนาสิขาบททันต่างโปหน้ า, านโปไม้ชําระฟันนะอืคุณสร้างวินิจฉัยในสิขาบทที่สิบต่อไปคํ า, าคว่าอทิมนำ ที่แว่าไม่ได้ให้ใชไหมของที่เขาไม่ได้ให้คือไม่ได้ประเคนใช่ไจริงๆความว่าอาหารที่ผู้ถวายไม่ได้ยืนอยู่ในหัตถบาตของพิสุขผู้รับประเคนด้วยกายหรือด้วยวัตถุเนื่องด้วยกายแล้วถวายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเนิ่นนาการถวายด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายและการโยนให้อันนี้อ่นะ คางจริงการรับของพิสูรับได้สองอย่างเราใช้กายรับก็ได้ของนู่นในกายก็ได้นะครับเช่นเวาพิถบัตใช่ไหมเราก็ถือว่าใช้บาทเป็นตัวรับไอ้บาทและของนุ่นในกานะครับหรือบางทีก็ใช้ผ้าใช้โยมมาถวายของมาใช้บาทใช้ผ้านะครับแบนี้ได้การหรือของนุ่นในกายแต่ถ้าเป็นของโยมถวายของให้ผ้าเนี่ยใช้กายก็ได้ใช้ของนู่นในกาก็ได้หรือแม้แต่โยนให้ก็ยังได้ โยนให้ก็ยังได้นะแต่ว่าต้องมีเนื้อทบานนะครับถ้าโยนให้นอกทบานนี่ก็ไม่ได้นะเป็นเนื้อทบานเป็นแต่อันนี้บอกว่าไม่ได้ให้ขนาดนนี้เห็นครับอันนี้ถ้าพูดถึงว่าอยู่คนละฝั่งกำแพงกันนะโยนอยู่ด้านนี้ผ้าอยู่ด้านนี้แต่กำแพงไม่หนาเกินไปไม่ได้ทบานระหว่างผ้ากับโยนโยนก็โยน อันนี้ใช่ค่ะเหมือนต่อไปนะครับคำว่าอาคินนางนี้เป็นชื่อของโพชนะที่พิสุไม่ได้รับประเคนี่ง่ายๆยที น, นี้นะจึงอยู่โพชนะที่พิสุไม่ได้รับประเคนถึงจะเป็นของตนก็จะกินกินไม่ได้ถึงมีของเราเองแต่เขายังไม่ทันประเคบก็ฉันไม่ได้อันนี้ของที่รับประเคนแล้วถึงจะเป็นของพิสุผู้คุ้นเคยกัน สมควรฉันได้เนี่นะเพราะว่าของถ้าด้วยกันไม่ต้องประกันของในการหล่อหรอกรนี่นะประกันให้ลูกแหวนุ่นหนึ่งรุ่นหลือก็อฉนันได้ทั้งหมดนะครับไมมีปัญหาหรอกท่านก็เลยคุยว่าเนี่ยถ้ารับประเคนแล้วถึงแม้เป็นของที่คุ้นเคยกันก็ฉนันได้มีปัญหาเพราะเมื่อก่อนมีภาพรุ่นหท่านเข้าใจว่าถ้าด้วยการต้องประกันของในการรุ่นหน่งหรอกาเข้าใจอย่างเ น, น, น, นี้นะ พ่อฉะนั้นเวลาเขอาหารมารวมกันเนี่ยท่านจะลำบากใจว่าเอ้ยยังไม่ได้ประเคนให้เราเลยเนี่ยแล้ฉนันน่าจะเป็นอาบัติหรือเปล่าครับใครบอก ก, อก็ไม่เชื่อก็ไม่ฟังนะแกก็เด็กทีนเข้าใจว่าพากประเรให้กันนะต้องประเคนกันเนี่ยลำบากนะทีนี้เนี่ยนะคงจะไม่ต้องนะครับพากไม่ต้องหรอกนี่นะมีคาอธิบายที่ชเจงนะครับคราวนี้เราประเคนแล้วถึงจะเป็นของที่สืบคุ่งเคยกันให้มันสมควรฉันได้ ลักษณะเห็นโพชนะที่รับประเคณแล้วนั้น <c oughs> พึงทราบโดยตรงกันข้าวกับโพชนะที่ยังไม่รับประเคณนะครับก็ง่ายนะ <c oughs> ข้าเอาของมใกล้ๆน้อกถวายใช่ไหมเนี่ยถวายถวายด้วยกายด้วยของนู่นด้วยการหรือ ว, ยยว่าโยนธาการรับด้วยการด้วของนู่นด้วยการนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะว่าองค์กรารประเคณทีนะ <c oughs> อันนี้ว่าตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> นี่นจะพูดถึง คนประเคนก่อนว่าใครบ้างที่สามประเคนขอให้พานะม่ายพาด้วยกันน ะ, นะครับเนี่ยเราประเคนนะอะ ย, ยกประเคนให้่หมเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะก็ถ้าว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอนุบาสสามบานนี่นครับแต่นอนุบาสสามบาก็ตั้งแต่สามบานในลงรไป น, นะนะถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตก็ได้นะถ้าเดรัจฉานมีความสามารถนะครับเป็นช้างเป็นลิงอะไรเนี่ยนะ เกี่ยงของหน้าครับยื่งอยู่ในอัฐบาลของทิสุและทิสุณีน้อมถวายด้วยการเป็นต้งหากโพชนะนั้นทิสุรับมาจะด้วยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตาครับด้วยวัตถุนเนื่องด้วยกายนั้นก็ตายด้วยของที่เคลื่อนไหวได้เช่นเตียงก็ตาเนี่ผบอกแล้วเราสามารถใช้เตียงใช้ต่างนะครับรับประเคนได้ ขอให้เป็นของที่มึงเคลื่อนที่ได้นะเขาไม่ได้ตึงให้ติดอยู่กับที่นะครับอย่างเช่นหมอนหนงประเคนนี่ใช่ไหมถือว่าตะมาเอามือแตะโต๊้เงี้ยนะหมอนหนึ่งนะก็ยกนี่ขึ้นแล้วก็วางลงบนโต้เนี่ยตะมาก็ทํำใจว่าใช้โต้เนี่ยเป็นรัปประเคนก็ใช้อะไรเหมือนกันเพราะโต้เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ครับก้นโต๊้เตียงต่าได้ทั้งหมดนะครับนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นท้ายเืออะไใช่ไหมแม้แต่ของอย่างขนาดนี้ก็เป็นวัตถุใช้รับประเคนได้ อ, อ๋อหลักก็ไม่เป็นไรหนักก็ไม่เป็นไรขอให้เป็นของที่มันไม่ได้ต็นแต่พี่ก็แล้วกันนะขยืนได้<ม>ต่อไปนะครับบากว่าด้วยวัตถุที่สามารถจะลองรับได้เช่นใบไม้ของต้นไม้ที่ไม่ได้อยู่กับพี่ใบไม้ที่ไม่ได้อยู่กับต้นก็าตามหมายว่าใบไม้ที่เ้อาเด็กออกมาแล้วนะครับมัน้เพิจะต้องผ้าอย่างดีใช่ไหม อัที่เราใช้เป็นตัวรองรับกระเค็นนะแม้แต่ใบไม้ที่เอาเด็ดออกมาเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าใบไม้ก็ต้องไม่ใช่ใบไม้ที่แหลกเกินไปนะเราจะเอาใบมาหามเนี่ยน่ะมันเป็นตัวรองกระเค็นี้ไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าอะไรว่าไม่ได้เลยเพราะมันแหลกเกินไปมันจะใช้แบบว่าถูกที่รับกระเค็ไม่ได้ต้าใบไม้ที่มันใช้รับกระเค็ได้นะครับอันนี้ถ้าเรายากตัวอย่างใบบัวเป็นต้นเนี่ยนะ ด้วยเหตุเพียงเอาเข็มไปโดนก็ตานี่นะแม้แต่เราไม่ได้ใช้มือล้ำใช่ไหมใช้นิ้วจิ้มหรือแม้แต่ใช้เข็มจิ้มนี่นะวเวลายมยกของมาถวายแล้วก็เอาเข็มเนี่ยจิ้มนี่นะก็ถือว่าเราประเคนแล้วครับนี่เลใช้ได้เหมือนกันมันใช้วิธีลองรับออกก็ได้ไม่ใช้มือจิ้มออกก็ได้ให้เขายกถึ้แล้วกันนะครับอชื่อว่าเป็นอลัลลประเขนอืม เ <c oughs> ชื่อว่าวัตถุที่ติดกับวัตถุที่สมบัติหลอกอาหารอในที่นี้ไม่มีครับจานวนนี้เราอาจจะไม่เข้าใจนะหมายความว่าอย่างนี้นะครับถึงว่าเรามีขาบ่าใช่ไหมอันนี้ซว่าอันนี้เป็นขาบ่าใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นบาทสองชั้นใช่ไหมอันนี้ขาบ่าอันนี้บาทแล้วเราเอามือจับขาบ่าไว้โยาอาหารใส่เข้าไปในบาท น, นะครับ เราก็ชื่อว่ารับด้วยของนุ่งด้วยกาอแหลนะถึงมันจะสองต่อนะครับสองต่อมิ้สามต่อก็แล้วแต่นะก็ถือว่ารับของน้วยกายเท่านันนะครับอันนี้เห็นะไม่ก็ถือว่าแป็รับปรเคนได้เท่านั้นนะครับมีปัญหาหรือแม้แต่ว่าเรานั่งบนอัศานะนนใช่ไหมนั่งบนอัศนะรูปนะครับแลว้วางขาบาาใช่ไหมแล้วก็อันนี้ตัวบาาแล้วยกเข้ามาใส่เราใช้ตัวก้อนล่านี้นะเป็นตัวรับประเคน ถือว่าใช่อาสนะนะครับเป็นตัวรับประเคของ น, น, นะ น, นี่ก็ใช้ได้ะครับครับ<น>ได้ถ้าได้ะครับออไม่จงเป็ น, นะครับแม้แตนิ้เวเดียวยังได้นะไอเขา ย, ยังเาจิ้มก็ใช้ได้ะะ<น>ขอให้ดูนะรับเออใช่ก็ยังไ ด, ย ไ, ได้เลยนั่นแหละยังบาง ท, ทีถ้ามึงกอาจจะใส่ใจอย่างนี้นะทาปูอสนะใช่ไมโยมข้อของยกขึ้น แล้วนั่นก็ใสยใจว่าใช้ตัวอาสนะหรือรัปเอเคใช้ก้นที่เนื่องแบบนี้นะแล้ว<ม>นั่นก็ไม่ได้ขยับข้เยอะอะไรนะครับเนี่ยข้าก็ขอมาวางบนอาสนะแล้วก็ใช้ตัวรัปเปอร์เคนะก็ใช้ได้นะครับนั่นนะก็ถือว่าใช้ของเรื่องโดยการที่อนะญาตพิจารอยู่ในการใส่ใจมันเก่งกไหนะมครับนี้ยใช่ใช่ต้องเาานี่ยทบะขะหมดบนะถ้านออทบะนี่ก็ใช้ไม่ได้ ยกชนกันได้ยกชนกัน okay. ้ยกชนใชไมครับมกงนือยกชไม่ได oh, ้ไ okay. ม่ไ so ด like oh, ้ครับผมไ่ได oh, ้ไม่ได้ครับเอยกชนกันอ๋อของนุ่งนาฬกาขนุ่งาฬชนกันใช่หครับเขายกขึ้นใช่ไมได้ได้ได้ครับมได้ครับผไม่ใช่ไฟช็อมนะที่โยเขาก็ของนุ่งนาฬกาใช่มเข้าอะไร่ะ เช่นไรเรมันเด่ยดีกนได้มระเทยวตอตอต่อตแนี้ได้อ๋อมันได้มันไม่ได้ผมไม่รูวาช่วยต่อช้วยเดี๋ยวก็ช่วยหนึ่งข้าวช่วยแล้วก็เอากระเทยข้าวก็ใช้เพื่อไปดูแระเทยชนเนี่ยได้นะครับเพราะไม่ได้ใช้เข็มในอยังได้เลยแต่ถ้าใช้ไฟชอบให้ได้นะอาหารเรียงกันเป็นช่ไรครับข้ายกถ่วยดีใช่ไหมให้ติดกันข้วยกถ่วยเลยใช่หครับ และก็ไม่ได้วยเดียวใช่ไหมครับไได้ไมด้ทำด้วยเดียวนกันได้หมายเพราะว่านี่มันยกผู้่วยเลยครอผู้ยสติกกันอ๋อยกู้วยเลยถ้านก็ใช้ช่วของท้านเนี่ยเป็นตัวตอบและรับประคิบและประเคีได้เขาได้ครับมันจะมีพกประเคียแบบไฟช่อมเน่ะที่ใช้ไม่ได้ใช่ครับอันนี้นายกยเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับถ่านเขาอยู่ฝั่งนี้ ยกางาจับที่ท้ายเนี่ยนะยกขึ้นถ้าก็จับนี่นะนี่มันแต่ลับเคนะเพราะอยู่ไกลหัดสบายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ยกอันนู้นเน่ยผ้าก็จับอันนี้นะจะใช้ถือว่าเปไฟฟ้าช็อตเนื่องกันเนอเดียกันอย่างนี้นะ่ะไม่ได้ครับเทียบกับจับในโยกก็ไม่ได้ยกไอที่โยมยกผ้าก็ไม่ในจั บ, บที่เขาทากันนะอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องยกไอตรงนี้แหละ ก็ <c oughs> บอกว่าอันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละอาหารใดที่เขาถวายด้วยกล้องยานะัคนี่แหละถวายเขาทางจมูกท่านเลยที่สูรับทางจมูกเนี่ยได้ครับมีปัญหาข้อถวายก็าเป่าก็เปนในจมูกท่านเลยนะก็ใช้ก็ใช้จมูกเป็นตัวรับประเสนไม่มีปัญหารหรือไม่สามารถก็รับทางปากก็ได้คนี่นหละเช่ปัญหาก็ได้ เ็นแรงกรเคนมันท่านผิดเลยนะไม่ผิดท่านผิดแต่ท่านจะไปจะไปยินดีถ้าข้ากำหนักใช่ไหมแล้วก็ไปขยับต่อไปกัดช่ออะไรเนี่ยกำหนะัก <c oughs> ในการจ ะ, <c oughs> จะกลับต้องกายยิงอะไรเนี้ยนะ <c oughs> ท่านจะตดอาบะนคับโดนอาบะถุงน้ำใจนะ <c oughs> นี่ค่ะต้องแบบใจวางใจได้นะี่ค่ะอันนี้เราเนี่ยทางปากก็ได้อาหารทั้งหมดนั้นย่อมครัว จึงอยู่ในเรื่องของการรับประเคนนี้เพียงการใส่ใจเท่านั้นเป็นตน่อมาครับเมื่อมีการใส่ใจไว้ก่อนภายหลังนอนหลับถึงของที่ทา ย, ยกเข้ามาขัถบถ่ายถวายไว้ในบานชื่อว่ารับประเคนแล้วเหมือนกันครับซึ่งว่าเราเอามือจับบายไว้ทำไมล้วยกเ้าของมาถวายถวายอย่งเนตอนสมัยอยู่วัา่านะครับโยกจะเดินมานั้นแล้วก็มา ใส่บาผ้าหลายคนนะครับเราก็นั่งรับมุทิโยมเยอะใช่ไหมพระเราก็สับระงบมางเยลิร์บไปบ้างนะแต่ตอนแรกของจะรับประเคนแมือก็ยังจับบาปอยู่นะครับแต่มุทิมันก็เคร์บไปบ้างอย่างนี้นะหรือวหลับไปเลยไปแล้วแต่ตอนแรกมีการใส่ใจกัแล้วนะครับของที่เขามาใส่มาใส่เรื่อตอนที่เราหลับนะแต่มุรียังจับอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นประเคนะเท่านั้นนะครับเพราะเราได้ใส่ใจเมื่อตอนแรกแหละเรารับประเคนนี้นะไม่สับประเคนะครับ นอกจากว่าตอนแรกเราไม่ได้ใส่ใจรับประเคสใช่ไหมแล้วก็หลับไปไม่รู้เรื่องงั้นไม่แก้รับประเคส อ, อันนี้ก็มีปัญหานะครับและเมื่อท่านพูดถึงน้อยว่าเข้าวางบาบไว้บว น, นี่นะครับวางบาบไว้สิบลูกเลยเต็นโต๊ะเลยนะแล้วผมก็ใช้โต๊ะมือรับประเคสมันจับโต๊ะเนี่ยยกเข้ามาเนี่ยถับบาบนะครับ และอาหาหย่อนเข้าไปในบาทุ่ใบทุบบอลทุบใบนะแต่เข้ามาในหันตาบะผมใช้มือจับโตเนี่ยผมก็ชื่อว่าระ บ, บกเทือบาทุบใบนะเพราะ ก, อก็อาหาหย่อนลงไปหย่อนลงไปนะคแต่ว่าถ้าบาเนั้นนะมันไม่ได้วางโต๊ะวางกับพื้นเลยวางกับพื้นเลยนะครับผมแล้วเ้าก็เอากับพุ้งบาเนะี่ยมาจดติดติดกันใช่ไหมผมก็จับบาใบหนึ่ง ยกว่าอาหารหย่อนลงไปนในปากนั้สินใบใช่ไหมครับอันนี้จะพ่อบาทที่ผมจับนะที่ช่วยได้รับประเคนนะคร mm ับไอ้ที่เหลือมารับประเคน mm hmm. พรามันไม่มีวัตถุที่รองใช้มปนตัวรับประเคนใช่ไหมครับเ mm hmm. นี่ยเป็นอย่างนี้ครับต่อไปนะคร mm ับ hmm. แม้ของใดตกไปไอ้ที่ก่อนเดียวกันนะมาดูองค์กลางประเคนก่อนนะครับองค์กลางประเทน พอดีในการขายถ้าม่นดยกมานะจะอยู่ในพระวินัยปิอกนะครับถ้าอยากจะดูเทียบก็ในทของอธิบายนะหน้าห้าและหกสิบสองจะมีนะครับตรงนี้ผมเขียนสรุปมาให้นะครับองค์การกระเคนกคือหนึ่งของพอบุตมีกลังปางกลางยกขึ้นได้คือของแล้วไม่หนักเกินไปนะบุุษที่มีกลังปางกลางสา ม, มารถยกขึ้นได้ เอาของขนาดนั้นของที่เก็บประเคนนะแต่ถ้าของที่บรรดาคนไปบูปังกลางยกไม่ขึ้นอันนี้ก็ประเคไม่ขึ้นเลยครับประเคไม่ขึ้นนะหม้อใบใหญ่ไปเลยนะบูปังกลางก็ยกไม่ขึ้นเนี่ยต้องหลายคนช่วยกันยกอยันี้ปรเคไม่ขึ้นนะครับอันนี้ซนอะสขัดทบาลปรากฏดยูนิคอร์ดทบบากไทยกก็ต้องมาเข้มามณฑลทับบากใช่ไหมครับไ้แล้วเรียนมาด้วยองของบากใช่หมการทับบานเวลา ยืนเวลานั่งเวลานองเวลายืนก็วาดจับของผ้าเนะี่ยตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปหายโยนไปสองสองนั่นเนี่ยสองสองนะครับแล้วก็หนึ่งคืบนะครับว่าจากของส้นเท้าลันพางไปไปหาโยนเอาไว้ว่าสมวนหนก็ได้ขอโยนที่เข้ามาใกล้ที่สุดนะครับเว้นมือที่เหยียดออกนะสมวนไหนก็ได้จะเป็นหัวเป็นไหลเป็นอะไรก็ได้ที่เข้ามาใกล้ท่าที่สุด เราว่าไปถึงตรงนั้นนะถ้าสองสอบคืบมันได้ก็ถือว่าใช่ได้ธรรมาถ้าเรานั่งอยู่เอาตรงไหนครับว่าตั้งแต่ตรงไหนของผ้าตั้งแตขึ้นที่สุดสุดพ่อใช่ไหมครับคือหลังค้นตรงนี้นะว่าไปสองสอบอินคืบถ้าเรานอนนะครับถ้าเรานอนใช่ไหมถ้าเรานอนหงายใช่ไหมถ้าโยกเข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับว่าจากสีข้าวน่านี้เนะ ไปสองสอบเป็นหนึ่งคืนถ้าโยมมาน้างนี้ก็ว่าแต่งสีข้าวหน้านี้ไปสองสอบเป็นหนึ่งคืนนะครับนี่นะครับอันนี้นะก็ต้องอยู่ในธาบรมบัญญัติเดียเด๋ยวถ้าจะพูดถึงการธบัญญัติบนอกาศนะก็ยังมีนะครับ ม, ม, <c oughs> มาทางท้าใช่ไหมถ้าไม่ได้พูดถึงนะมนไมพูดถึงเราก็รับประเข็มไม่ได้มรทางท้ า, ามันก็อยู่ไกลกันใช่ไหม ใช้เท้ารับประเคนไม่ได้นะท่านบอกว่ามันไม่ควรนะไอ้เร่าประเคนขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ควรทำอย่างนั้นนะท่านก็พูดถึงนะกิริยาที่ยังอยู่ไม่ดีนี่ก็บอกย้อนให้มาประเคนที่นี่นะมันไม่น่าจะมีต้องมาประเคนวางไว้ที่มือหรือที่ออกที่อะไรก็ได้นะเอ๋ไปวางท่เท้า ถ้าไม่ไดพูดถึงตรงนั้นการไมไ่พูดต่อไปนะครับต่อไปเนี่องที่แสบเนี่ยน้อมถวายปรากฏทายกน้อมถวายทายยกน้อมถวายม่ได้หมายคพราะว่าก้มหัวนะหมายเพราะว่ายกของเนี่ยยื่นมาถวายพระนะครับเข้าจะก้มหัวหรือไม่ก้มก็แล้วแต่นะแต่ก็ขอแค่ก้มหัวไม่ได้เนี่ยน ะ, ะถ้า เ, าเอาน้อมกายละหมาเลยนะครับหมาถึงมีการน้อมของเข้าไป ถ้ายืนเฉยเฉยเยอย่างเงี้ยนะยังไม่ได้องค์ประเคนนะครับถึงเข้ามาแต่บาทจริงยืนเฉยเฉยแต่ไม่ได้น้อมมาหาพระนี่ไม่ได้องนะต้องยื่นของน้อมมาถวายพระหนึ่งครับนี่นั่นเป็นองค์เนี่แล้วแต่ว่าเาไม่สามารถเคื่อนไหได้เขารู้อ่ะบเนี้าจะทำยังไงครับอาจารย์เนี่ยเาก็ประเคนไม่ได้นะมันต้องเปการน้อมอ่งนแเหมือนจะเขรู้ว่าเาเขาอยากจะให้แต่ว่า นั่นแหละต้องยากหรือว่าอะไรต้องช่วยพยุงมือให้น้องไปให้ตาให้ได้มันก็ไม่ปกองนะนันไม่พอ อ, อ ง, นะออองต้องการน้องของกับแล้วก็สี่นะ ค, ะครับเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามดิฉานก็ตามถวายประเคนด่า น, นั้นนะ ค, ะครับเทวดามนุษย์ดิรฉานนั่งได้หมดเลยห้าพิสุจน์อรอบเกณฑ์ของนั้นด้วยการหรือของนึกด้วยกาย เมื่เขากรงแแห่เนี่ยนะก็ถือว่าเปรียเทียได้ฟังไหมครับสามัญในกลางศาลใช่ป่ะเระก็เอาไปจัดเอาเลยในม่ออ๋อไม่ให้พู้ได้จ่าไปจัดอะไรใช่ไห่ะปรกกาศสภาสำนักพุทธเจ้าแอบบ่ไม่มีเขียนว่พุทธเจ้านะ พระองค์มันอย่างเอาสิกขาบทไว้แจกภาษามกขไมไม่ได้เป็นสิกขาบทแจกพระองค์เองนะ mm hmm. ต่อไปนะครับกำลมงดูในกลางขาต่อนะะี่ยนะแม้ของใดตกไปในมือของพิสูจน์ผู้นั่งอยู่ด้วยความคิดว่าเราจะเอาบัตรับของนั้นสมควรเหมือนกัน หมายพวาว่าถ้าถือบาทตั้งใจว่าจะเอาบาทรับแต่โยมใส่มาพลาดยังไงไม่รู้มันตกมาในมือท่านนะค่ับมันไม่ลงบาทอย่างเงีก็ถือว่าแย่แล้วผิเกณฑนะครับไม่ไม่พลาดแล้วเข้ามาในมือในบาท น, นี้ก็ใช้ได้กระทั่งฝุ่นที่ตกไปจากภาชนะของทายกผู้นํามาก็ควรเหมือนกันเขาใช่ไหมเขายื่นของมาครับมือเข้าติดฝุ่นด้วยนะ มันแค่จะครอบของอย่างเดียวนะครับไอฝุ่นที่มือเขาตกมาเนี่ยบางทด้วยนะก็ถือว่าแปนรับประเคห์แล้วทั้งฝุ่นทั้งอะไรนะครับคือปัญหานะขอให้เข้าน้องมาละกันนะจะเป็นอาหารก็ดีนะครับเป็นฝุ่นก็ดีนะจากมือเขาตกลงไปก็ถือว่าแปนรัประเคหทั้งหมดนะครับครับอ๋อาาหรวอเทันนั้นอันนั้นไม่นะฝุ่นยังไม่รับนะประเคห ต้องประเคนใหม่นั้นอันนี้พูดถึงว่าเขาน้องถวายแล้วมันมีอย่างอื่นที่เขาไม่ได้มันติดตัวข้อลงมาด้วยใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็ประเคนเหมืมอนกันเพราะมีการน้องเข้าไปแลนะครับก็ควรเหมือนกันในเรื่องหันธบัตรนั้นพึงสร้างสถาบันของบุคคลผู้ยืนนั่งหรือนอนโดยนานด ย, นาน ด, ยนานดังกล่าวไว้แล้ว ในป ว, วารณาสิกขาบทได้ว่ากแล้วครับก็ถ้าบุคคลหนึ่งจะเป็นทายกหรือพิสุดอยู่บนอากาศนี่ไงทบานบนอากาศอัศิสดานมากนะครับจะเป็นพรหรือโยมนะคนหนึ่ง อ, อยู่บนอากาศอีกคนหนึ่งอยู่บนพื้นดินแว้นมือที่เหยียดออกไปเพื่อจะถวายหรือเพื่อจะรับเอาัยว่าส่วนใดของบุคคลผู้อยู่บนอากาศใกล้กับศีรษะ ของผู้อยู่บนพื้นดินพึนกงกําหนดประมาณสถาบานระหว่างอวัยวะส่วนนะั้นนะครับหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างนะอันนี้ถ้าถืว่าโยมเขาอยู่โยมเขาอยู่บนพื้นดินใช่ไหมผ้านี้ของรูปการกันะครับสือว่าเป็นอิริยาบถยืนนะจะว่าตั้งแต่ส่วนไหนของผ้า น, นะครับถ้าถ้าผ้ายืบนบราการเนี่ยเราวัดจากส้นเท้านะไอพื้นเนี่ยถ้าพื้นส้น ใช่ไหมมาวัดมาแล้วให้ถึงหัวของทางยกนะหัวที่ใกล้เสื่องเทนะครับถ้าได้สองสอบคือคือเนี่ยสบายนะครับแต่ถ้าคอที่หอบขึ้นไปกลางอากาศเนี่ยไม่ใช่พระแต่เป็นโยกเกิโยมได้มีฤทธิ์นะครับหอกขึ้นกลางอากาศได้แต่พระนี่อยู่ข้างล่างอันนี้วัดตั้งแต่ไม่ยช่วัดส้นเท้าของโยนะวัดตรงที่ปลายเท้าเลยตรงไอ้ตรงนี้นะ พื้นนะครับพื้นปลายนิ้วเท้าของโยมเนี่ยที่ใกล้กับหัวข้า น, นวันมาตรงนี้นะคือใกล้ที่สุดนะนี่นะครับนี่จะบาดสองข้อขึ่นนะเครื<ม>่องถือได้ธรรมาบุรการนะครับถ้าแม้คนหนึ่งอยู่ในบอ่อคนหนึ่งอยู่ปากบอ่อหรือคนหนึ่งอยู่บนต้นมา้าอีกคนหนึ่งอยู่บนพื้นดินพึ่งขนบประมาอธรรมะโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละเหมือนกั น, นครับ ถ้าสัมเณรสองสามรูปยืนอยู่ตรงนั้นกลิงของที่บุกกัางคนสามารถจะยกขึ้นคนเดียวได้ให้ขึ้นไปบนมือที่วางไว้บนพื้นดินของพิสุนะครับหรือยกขึ้นแล้ววางไว้ในมือที่เหยียดออกแม้้วยเอกเทศของพิสุของนั้นถือว่ารับประเคนแล้วแท้นะครับหมายก็ว่าของหนักใช่ไหม เนน้อยไม่สามารถที่จะรับประเคนได้ยกขึ้นได้นะครับแต่บริ ก, การคน่ยกได้นะแต่เนน้อยมันยกไม่ขึ้นแกก็เลยกลิ้งไปนะครเพราะเราจะรู้ว่าของที่จะประเคนขึ้นเนี่ยบางทีมันจจะเป็นต้องยกขึ้นก็ได้นะไม่มีเะว่าต้องยกขึ้นขนาดแมวรอด <c oughs> รได้เซินได้รอดได้นะครับไม่อะไรรอดไม่ได้ก็แล้วแต่ขนาดว่าเน่นกลิ้งมากลิ้งขึ้นมาบนมือพระเลยนะครับ ติ S <S er ้งเข้ามาแค่ส like ่วนหนึ him, ่งนะมาบนมือผ้าอย่างนี้นะครับก็ถือว่าแกะเราประเข็ญแล้วเนี่ยนะไม่ใช่มาแฉะเฉยแต่กิ้งขึ้นมาบนมือเลยอาจจะไม่ได้กิ้งขึ้นมาขั้งหมดแต่ก็ได้ขอให้ขึ้นมาบนมือนี้ก็แด้ส่วนหนึ่งนะครับก็ใช้ได้นะก็ถือว่าแกะเราประเข็แล้วพอของน้ำมันปังๆยกขึ้นใช่ไหมครับการเน้อมันโดยการกิ้งเข้ามาแหลนนะจนถึงมือของผ้านะครับเราจะได้รู้ว่านมแม้ขนาดว่าไม่ได้ยกเลยนะ ะนาดเส้นใต้รอบก็ไม่ได้ยกเลยแต่ว่ากิ้งขึ้นมาถึงมือเนี่ยก็เป็นรับประเคนเหมืนกันนะครับอันนี้เอเมื่อพิสุกําลังเที่ยวบินทบาทฝุ่นละอองที่ตกไปในบาทชื่อว่าแม่รับประเขนใช่ไหมประเทศบินทบาท น, นะครับอยู่ดีฝุ่นฟุ้งมาตกเขนะ้าไปในบาทเนี่ยฝุ่นแม่รับประเขนนะครับเพราะฉะนั้นพิสุรับประเขนฝุ่นแล้วจึงค่อยรับพิสา ตอรประเคหใหม่นะอบายนะครับแล้วก็ให้เนมประเคห้เราใหม่นะครับหรือให้โยกก็ได้แล้วก็ไปรับอาหารมาเมื่อถือเอาโดยแม่รับประเคหต้องวินัยทุกกฎทุกกฎตามภาพวินัยนะครับหมายเขาว่าถ้าอะไรยังไม่ประเคหบาบใหม่เลยบาบมีฝุ่นใช่ไหมเราก็รับอาหารมิระบารมาครับจะต้องบัตรทุกกฎที่เรียกว่าวินัยทุกกฎนะครับอันนี้ขนะ้อแรกที่ว่า แห่อลเอานะอ้ากรอก บ, า, า, บาเราไม่มีถ้าบาใช่ไหมเพื่อว่าจะกันอาบัดตัวนี้แหละนะครับแต่ถ้าบาแล้วไม่มีฝุ่นเลยนะแล้วเราไม่เอานะอ้ากรอกบาแล้วบิ่มีาบามันก็ไม่ได้เป็นมินัยทุกกฎนะครั บ, พบเพราะบาแล้วไม่มีฝุ่นอยู่แล้วแต่ถ้าบาบาเรามีฝุ่นไม่ได้ไป่ับอาหารมาเนี่ยยังไม่รับประเคนหรือยังไม่ได้ล้างนะครับรลบ อ, อาหารมาใหม่ก็จะต้องบาทุกกฎนี่ว่าวินัยทุกกฎนะครับทุกกฎแา่ภาพวินัย แต่ว่ากาวน้ำกรอบาอ บ, บาดกอบมิถาบาทมันเป็นธรรมเนียมใช่ไหมขอมววกรบินบาใช่ไหมครับจะมีกาวน้ำกรอบบาดตอนนั้นผือว่าฝูนมีมืองเียอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นวิศวกรก็ไม่เป็นมนลงมาเอง น, นะฝุ่นเราไม่ได้ไปจากที่ไหนม ทำความดีฝากกันหรือจะเสริมให้หรือจะเสริมข้ า, ใใ า, างในี้ท่านพูดสรุปมานะแต่รู้ว่าเนี่ยเป็นทุกกลด้นานัยทุกกล น, นะครับก็เมื่อพิสูจนรับประเคนอาหารนั้นอีกแล้วฉันไม่ต้องอาบัต น, น, นะหมายเพว่ารับประเคนนะอันที่ฝุ่ตนต่กลงไปน่ยอันรับประเคนใหม่ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไปรับอาหารมาอันนี้ฉันไม่เป็นไรไม่ต้องอาบัต น, นะครับแต่ถ้ายังไม่รับประเคน ได้เแล้วขาหาเงฉันไม่ได้ครับนั่นแหละหน้าที่ผู้ถือเมื่อวานเะนี่ยมันจะเป็นอาบัติเพราะวสันนิที่ได้ถ้าของในบาตมียังไม่นด้สลากสลากไม่แข็งเนี่ยนะนั่นก็จะเป็นอาบัติปาจิตตีเพราะว่าฉันของที่สะสมไว้คือแต่อาหารติอิู่ในบาตรนะ เนาทอดแต่ถ้าว่ามันเป็นของที่เราสลักมแล้ ว, ลลวทำใจสลักมาแล้วมันก็จะเป็นฉันของที่ไม่ได้ประเขียนนะครับมันก็จะโดนต้องต้องสองขานะ่นเนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้บอกว่าถ้าพิสูกล่าวว่าท่านถือเอาแล้วจงถวายเถอเอาฝุ่นเข้าไปในบาศัมภ์เอาโย่ เอาบาดะมาเอามไปนะถวายช่วอะช่อประเคนบาดให้ทาหน่นะครับถ้ายกไม่ฟังคานะครับไม่ฟังเราเลยนะหรือไม่เอื้อเฟื้อคืนถวายอาหารนะครับเขาก็ไม่ใส่ใจอะไรไม่รู้อยู่ดีให้โยมประเคนบานใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องครับก็ทำอาหารใส่มาเลยนี่นะอันนี้ถวายอาหารของเขาอยู่นั่นเองย่อมพ้นจากวิเนียทุกเกาะพ่อเราไม่ได้ตั้งใจนะ เข้าม า, าเยี็นใสเองตอนะะแรกเขาประเคนใหม่แล้ว <c oughs> เข้ามายกประเคนใหม่แล้วก็ขืนใส่อาหารไปเลยใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไม่ต้องมอีนานทุกข์กบนะเราก็ให้เนหรือว่ให้ใครเ็นหน้าที่จะช่วยเหลือเรานะครับประเคนใหม่นั่นเองนะครับใช่ไหมครัที่สูรรับประเคนอีกและค่อยรับประเคนภึกษาอื่นเนี่ยได้นะครับถ้าลมภาดทําให้ฝุ่นฟุ้งขึ้นนะที่นั้นๆไม่อาจจะรับภึกษาได้นะครับอันนี้ ถึงว่ามันประเคไม่ไหวน่ะฝุนฟุ้งเลยนะเปิดบานไม่ได้ เ, เดี๋ยวลงเนี่ยเดี๋ยวก็ลงอีกนะครับอั น, นี้ทํายังไงเนี่ยมันประเคไม่ไหวนะนะถ้าบอกว่าจะใส่ใจด้วยจิตบริสุทธิ์ว่าจะให้อันประสังบังรับอาหารก็ควรนะครับเราใส่ใจว่าเป็นบิณฑบาตมาให้เนี่ยนะครับทําใจนี่เลยนะไม่ได้มาให้เรานะครับแต่ละมาเพื่อเนียนเนียนะอืมปัญหานะครับเราก็กลับมาวัดก็มาให้เนี่ยเนธไหวใหม่ก็ฉันได้ บางทีเวลาไปไปวัดถ่ายใช่ไหมถ่ายใครไปงานงานสัมมนาเราจะไม่เจอถ้าแปนงนปฏิบาาัติธรรมจะมีนะครับก็ mm. จะให้พาะบินทบวตไปใช่ไหมในวันตามไอ้ชั้นงานอะไเดี๋ยวก็จะนั่งบางทีเป็นแถวนะครับข้าง น, นี้แต่หัแวแท้เป็นยันสุดท้ายแถวใช่ไหมที่บางทีละคุณผง ม, มันจะลงมานะแล้วบางทีเราลงมาเรื่อยนะครับเอ๊ะให้ให้ใหประเคียรไม่ไหวนะผมก็ต้องทําใจเนี่ยรับ ห, หนึ่งนะครับทำใจอย่างนี้ไปเลย ลับให้เนะครับพอสุดแถนแล้วก็เอ้าลาบให้เนะครับอย่างนเี่แล้วก็มีวิธีถ่าออกนี่นะครับ <c oughs> พิสุขคันให้อาหารนั้นแก่นุบสัมบันฑเนี่ยอาหารที่รับทําใจล่ำมาให้เนนะรับประเけてอาหารที่ อ, อนุบสัมบันฑนั้นถวะอีกควรนะครับใช้ได้นะหรือนะครับอันนี้แก้สํานวนนะถือเอาของอนุบสัมบันฑนั้น ด้วยความคุ้นเคยแล้วฉันก็ควเหรอหมายา็ว่าเร า, มาไม่แนวไปให้เนเราให้คนอื่นให้โย่ก็ได้นะครับและให้ช่วยประเคนให้เราเลยเราถือว่าวิาสาสะของเน่ะนะครับเราไม่ให้เนนนะแต่ไปให้โยมแล้วก็ให้โยมช่วประเคนให้เราหนอ ะ, ะเราทาใจว่าเขาวิาสาสะของเนะนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกั น, นะครับ ในด้วนในโมโหไหนว่าจะมาให้อันนี้แต่เราเป็นนิสสังฆะแล้วโอ้แล้วก็ต้องทําใจให้ดีนะถ้าเขาไม่พอใจนั้นนิสสังฆะไม่ขึ้นนะงั้นเราก็ต้องทําใจว่าให้เนที่แน่นเนี่ยที่เราคุ้นกับอะไรกันใช่ไหมตอห้องอย่างนี้นะของพี่บอลเราไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเพราะแมเป็นขหิต น, นะครับที่จะาถามเมื่อกี้ใช่ไหมคุณผมมันตกองมามันเป็นแต่วิเนทุกข์กบไม่ได้เป็นขหิต น, นะครับ อาหารนะั้นเราก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ฝุ่นอนะ่ะไมมรับประเคสเลยนยเราใช้ไม่ได้เลยคนระับอ๋<ม>อครับครัครับใช่มหมายความว่าถ้าปล่อยมือเสร็จแล้วนะเราก็ยกขึ้นมาอีกตอนนั้นจะเป็นะหิดนเครที่เราจับว่ามันยังไม่เป็นนะถ้าเกิดเราปล่อยแล้วนเนะครับ<อ><อ>ปล่อยในประเคก็ได้ครับ มือนกับที่นบอกไว้นะฟอกขุ่นแล้วแล้วก็ก็ให้เนยะให้เนประเคสใหม่คือในกรณีที iki, ่เรายังไม่เห็นเนยไม่เห็นใครใช่ไหมเราก็หมัไปวางไั้ก่อนใชครับแล้วก็เตรียมเนให้มาประเคสให้ใหม่เนี่ยนะพอที่เราวางแล้วก็หยิบขึ้นยกอขึ้นอีกนะครับถ้ายกขึ้นก็หยิบเพิ่มอีกเพรขุ่นนี้ไม่ล้วประเคสใหม่ครับอ๋อหยิบออกได้มีปัญหาเราหยิบออกไปเลย ไม่ต้องประเคนใหม่หีือเปลถ้าหยิบได้หยิบเลยถ้าตักได้ก็ตักไปเลยนะครับถ้าก็จะพูดถึงนะนอกจากว่าที่มันซึมเข้าไปข้างในเราก็ไม่รู้หรือเปถ้ามันพอรู้ว่ามันอยู่จุดนี้นะเราตักไปพราา้อมกับค่าหรือว่าอาหารสูวนนั้นได้เลยออกไปส่วนนั่งเลยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นอะไรบรรดาน้าําตาน้ําลายน้ำมูกเป็นต้นส่วนใดเคลื่อนจากฐานตกไปในมือหรือในบาด ต้องเราประเค้นส่วนนั้นเสียก่อนนะครับโพเนี่ยเกิดน้ําตามันไหลไปนะมาันขาดช่วมันหยดติ่งลงในบาดในมือเงี้ยนะอันนั้นถือว่าขาดประเค้นะครับต้ับประเค้นมาถ้ามันไหลอย่างเงี้ยนะเชื่อมไปเลยแล้วเข้ามาในฝาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ขาดประเคนะครับพอาะไม่ขาดช่วงแต่ถ้ามันขาดช่วงแล้วมันคือขาดประเคนะน้ําตาลหรือน้ำหมึกอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยถ้ามันเนื่อมันไม่ได้ขาดแต่การ ไม่แต่น้ำประสวะนะครับเวลาตระสวะออกไปนะถ้ามันขาดช่วงปุ๊บใช่ไหมไอ้ตรงที่ขาดแล้วนะครับมันต้องมีช่วงระหว่างการกัดใช่ไหมไอ้ตรงนั้นน่ยแล้วก็ลงรากำลังให่่ถือว่าขาดประเขนนะครับถ้ามันขาดช่วงออกไม่สุดนะแล้วมันพุ่งเป็นสายเดียวกันเนี่ยนั่นยังไม่ขาดประเขนนะครับพุ่งเป็นสายเดียวกันนะถ้านเราก็รีบตัดออกนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่พุ่งเป็นสายออกมาละหน่อยละหน่อยขาดช่วงขาดช่วงนะ นนั้นนะครับขาโอเคนะไม่ได้เอาฟังเอาอย่างที่ว่าเมื่อเรารอมาแล้วทำไม่ขาดไม่ผหวัเราว่าสมมตเราใส่แก้วไว้เราไปวางไว้อย่างนี้ก่อนได้ครได้ได้เพราะว่าเราวาเองไม่ขา พอไม่ได้ขาช่วงอันนี้คือคือเราตั้งใจวางเองนะเราคุุ้ณครับยึดตัวแล้วก็ตั้งใจวางเองนะครับจะชนะประสาวะใช่ไหมต้องอยู่ให้ดีนะครับขาดบางทีมันลำบักเลยนะถ้ามันต้นไม่ดีบางทีมันก็ได้เลครับบางทีไม่ได้ก็ต้องลองเคใหม่แล้วอันนั้นถ้ามันคือชัวร์ก็แล้วกั น, กนต้งสงสัยก็อันนั้นเค้ใหม่นะครับถ้าจะพูดถึงว่า <c oughs> แม่ของเราบิดาบ่าใช่ไหม พรถือบาดไปเหงื่อนจากตัวเนี่ยนะมาไหล ย, ย้อยจากมือเนะี่ยมาไหลเนื่อกันนะจากมือแล้วก็ลงกันบาดเนือกกันเลยนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ถักประเคนนะครับก็ไม่รับประเคนมาแต่ถ้ามาหยดจะต้อผ่านซิง <c oughs> ขาดชั่วแล้วก็ลงกันในฝาหนึ่งขาะไม่ได้นะครับอันนี้นะครับต้องรับประเคนส่วนที่เสือก่อนนะครับเนี่นะส่วนที่ยังติดอยู่กับอวัยวะชื่อว่ารับประเคนแล้ว น, นี่นะถ้าจูเราเปิดเคล้วแค่เราไปวางไว้เนะี่ยมันก็ไม่ได้ขาดประเคนเกียวกับารไปวางใช่ไหมครับรเอานยะว่าที่กําลังตกหากขานช่วงไปแล้วที่สุไม่ควรเถือในระหว่างนะครับส่วนนั้นจัดเป็นขวัญหินนะเพราะขาดช่วงเราก็ไปขีดเอาใช่ไหมครับก็เป็นขวัญหินถึงจะเราเปิดเคสในภายหลังก็ไม่ควรนอกจากว่าทําใจสบายได้เลยนะครับอันนั้นได้ ทำใจส น, สนานให้เนนคนหนึ่งสนานนะบอกสวายแล้วก็ไม่มีปัญหาสนาให้เน้นแล้วก็ขอเนหน้านไหนะครับโอกาสครับในกรณีที่ว่ามันมันอม่างเพิ่นจุดเนี่ยครับเปิดไปนืว่าเอครับเป็นกลิ่นเศแก๊สเศษส่วนอะนียขาไม่รู้มันมันจะเคลียร์หายหรือไม่ไหนเลยนะครัอ๋อให้ไม่ได้นะครับอันนั้นมันเสี่ยงนะ จะมาขาดช่วงมาอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่ควรที่จะทำครับอย่าพึ่งฉันเลยมันมือแล้วก็ฉีไปแค่ไม่ได้นั้นใช่ไหมครับเราต้องรู้มาขาดช่วงมาขาดช่วงใช่ไหมไม่ก็อย่าไปทำครับอย่าไปฉันเลยนะเพราะหมาจะขาดช่วงก็ได้เครับถังจะไม่ฉีให้เน้เอ้เดี๋ยวก็ค่อยขอเนนะ้ครับ เอ้เนี่ยสบายใจที่สุดก็ไม่ไม่ต้องกลัวนะทําจะไม่เสียไห้เนี่ยอ๋อถึงวิสาสะใช่หให้ต้องให้คุณประเคนนะครับต้องคุณประเคนเนงกต้องประเคนอย่างนี้ครับอ้ที่วิสาสะามเ่อกี้คือให้คุณเขาประเคนแทนเนงนะครับตย่งงี้ก็ต้องประเคนนะแล้วก่นก็กะ น, น, นะครับ พิสูจถือเอายาหรือผลไม้ใดเพื่อประโยชน์แก่มารดาเป็นต้นท่านถือยาหรือผลไม้ไปจะเอาแม่โยมพ่อโยมแม่อย่างนี้นะหรือยอกกิ่งที่มีผลติดอยู่เพื่อเป็นล่มเดินไปไอาจจะเป็นกิ่งอะไรกิ่งไม้อะไรดีนะที่มีลูกนะยกเล็กๆอย่างนี้เลยครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาเป็นล่มนะตามเป็นล่มเดินไปจากนั้นต้องการผลไม้ใด รับประเคนผลนั้นอีกจะฉันก็ควรไนมะ่ไม่ถือว่าเป็นโอเนหิตนะตอนแรกถ้านี่ไปจับไปอะไรขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ย่อเดินไปเป็นล่มไปเลยครับพอต้องการจะฉันก็นมาอแล้วก็มาให้คุณเขาประเคนให้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันไม่เป็นเนพราะตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะฉันเองนะตั้งใจจะทําเป็นร่มเฉยหรือตั้งใจจะแย่โยมพ่อโยมแม่นะครับ เกิดเอหิวขึ้มาฉันเอง เ, อเท่ไ<ม>าไหร่เท่านี้เราก็ติดกับเขียนได้เนี่ยนะจากฉันก็ควดนะครัส่วนพี่สูดใดจับกิ่งของต้นไม้ที่มีผลติดอยู่หรือที่เถาววันแล้วสั่ง น, นะครับโอ้เนี่ยขนองไม้ขนองมือนะไปขย่าต้นไม้นะครับหรือว่าถ่าววันที่มีผลอยู่เพื่อให้ผ ล, ลไม้หล่นลงมาผลไม้ที่ได้จากการสั่งอย่างนั้น ย่อไม่ควรแก้ปิสุ่มนั้นเลครับท่านฉันไม่ได้และต้องอาบัตชื่อว่าทะรุปปัจจินนาทุกกฎอาบัตทุกกฎพ่อการประคุณไม่ดีครับขนองไม้ขนองมือนะความจริงถ้าถึงกะนามผลไม้หล่นลงมาเนี่ยก็จะไปโดนไปอีกตีเช่นใช่ไหมข้อภาพุตคามใช่ไหมครับใบขย่อมย่อมผลหลนลงมาเลยนะครับขณะว่าขย่อให้ใบไม้หล่นยังไม่ได้เลยครับขย่อจะได้กว่าทีเดียวไหมขย่อมใบว่า ไม่ได้ครับอันนี้ผลหล่นอะนี้ไม่ได้อย่างเนี่ยขอลกบอลแต่ไม่มีใครบคอะไรโ อ, โอ้ไม่ได้าไม่ได้ต้องมีคนบค น, นะครับประเนอกจากว่าตอนแรกล้วตั้งต่ว่าเกี่ยวตาไหไจิต บ, บริสุทธิ์ <c oughs> ถ้าบริสุทธิ์ได้เี่ยท่านจะพูดไปในข้างหน้าเนะ่ถ้าชำรตกหน้จิต บ, บริสุทธิ์จริงเอกไปให้นีอ่อะไร ผมจะแ้ามาพูดตรงนี้เลยก็ได้นะครับพูดถึงของที่เขาเก็บเอามาให้เนนเน่ให้เนแล้วเนเนไม่ให้เนนไม่ให้ของเนนเราไม่ไดบอกว่าเนนทไมไม่ใมมห้หลวงี่นะก็หลวงพียเมาให้ผมไม่ใช่เลยครับฝ่ายที่สุดเห็นผลไม้นะ มีผลมะม่วงเป็นต้นที่หลดในป่านะครับตั้งใจว่าเราจะให้แก่สมมเณเเนี่ยนะแล้วนํามาให้ควรอยู่ครับได้ไม่เป็นไรพอในถวายคือก็ฉันได้อมนไรนะครับที่สูดเห็นเนื้อเดนแห่งสีห์เป็นต้นคือเนื้อที่ผู้ราชะเสียังมันกินเหลือนะเป็นเนื้อเดนสับพวกแข็พว ก, กว้างอะไรพวกนี้นะครับคินว่าเราจะให้แก่สมมเบเน รับประเค้นก็ตามไม่รับปเคนก็ตามใช่เข็ไปถือมาเลยนะตั้งยอดจะมาให้นองนะครับนํามาให้ควรมีนะครับเนี่ยได้นะเนี่ยท่านพูดว่าก็ถ้าอ่านเป็นชำระวิตกให้หมดจบได้นะเนี่ยจิมบริสุทธ์นํามาให้เองนะครับชําระวิตกได้ไม่ีปัญหาใช่ไหมแม้จะผมฉันอาหารที่ได้มาจากเนื้อเป็นแดงสีหาเป็นต้นนั้นก็ควร ไม่ต้องโทษเพราะรับประเคนเนื้อดิบเป็นปัจจัยและไม่ต้องโทษเพอาของอุกหิจเป็นปัจจัยหนึ่ง น, นะคร<ม>ับเป็นไรไหนนเพราะว่าชาําระวิโตได้นะเนี่ย<ม>ปยะะ<ม>ัญหามาให้เนงจริงเ<ม>อ่าผลไม้นั้นนะครัสมควรเก็บพิสูรรูปอื่นอธิภาพไปขยับเมื่อกี้นะจะพาะรูปที่ไปขยับนะคะใช้ไม่ได้แต่รูปอื่นนะเนก็ไปเก็บมาแล้วก็ถวายรูปอื่นฉันได้นะครับ ไม่เป็นไนก็ได้ไม่เป็นไรนะเฉพาะรุมนั้นใช้ไม่ได้ก็ต้นไม้ที่มีผลที่สุดจะพิงหรือผลสมควรอยู่อันนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับอ๋อไม่ได้เก็บไปทิ้งอื่นไม่ได้มันเยิ้มเรากระเทเลยไม่ได้แต่ว่าทำใจปว้ใเนย อ๋อันนั้นไม่ใช่เอาไปให้นะหมว่าคอยากเป็นผลไม้หหลนนะใช่ไหมแล้วก็เนนต้องเก็บถ้าไม่ได้ไปเก็บเองเนอะเป็นเนนหรือว่ายมเขาอยากไปเก็บแล้วก็มาถวายรูปนั้นฉันไม่ได้เป็นรูปอื่นถได้ไม่ได้แต่ถ้าเรารับอะไรดเก็บ้ทแล้วจะไปถวายมันไม่ได้ทหมดไม่ได้ไม่ได้มดใช่รอันนี้เ่าจะพิงหรือว่าหนสมควรอยู่เพราะไม่ได้ตั้งใจทให้ผลไม้หนุน มีเหตุต่อการพิงใช่ไหมมีโห่เนี่ยได้แต่ว่าพวกผลไม้ที่อยู่กันต้นเนี่ยอย่าไปจับไปต้องนะครับถ้าเป็นผลไม้ที่มันจะฉันได้มันจะมีใ น, นวัตถุอนามายัยต่อผลไม้ที่ฉันได้ไม่ได้นะั้นยังไงครับเพราะเรามีทั้งยิ่งเนี่ยตั้มเน้นกระปิยะผลไม้ให้หน่อยอะไรมันก็ไม่บอกชื่ออ๋อได้ครับได้ครับบอกชื่ออะไรก็ได้เป็นไร ใ, ในกระปียะมะม่วงให้หน่อยเลย ครับ<พ><ฒ>ก็ได้ไม่เป็นรครับใช้กระเปีย้ยวบัวางได้เลยว่าปไปเก็บมะม่วงมาให้หน่อยก็ยังได้เลยแต่เราไม่ระบุว่าต้นไหนใช่ไหมหนูว่าเก็บมะม่วงใช่ครับเอไปนะครับเอาี่สูรและประเคนผลไม้แล้ววางไว้เกิดมีส่วนอื่นเช่นหน่อเป็นต้นเกิดขึ้นส่วนนั้นจ้วงพิสูรแลประเคนแล้วแทไนไม่เป็นไรถึงจะมีอะไรงอกขึ้นมาใหม่นะไม่จําเป็นต้องประเคนซ้ํานะครับ ประเคนทีแรใช้ได้เลยไม่ดี่เช่นพวกขิงน่ยาอายุมันยืนใช่ไม้มรับประเคนเราไปเก็บไปเก็บไปที่ชื้นะครับมีหนอมีอะไรก็ออกมาแการประเคนตอนแรกใช้ได้แล้วนะครับที่งอกมาใหม่ก็ถือว่ารับประเคนมาแล้วอจริงอยู่พลไม้พอพ้นจากมือพิสูจ์ยังมีความต้องการอยู่หรือยังไม่ปล่อยจากมือเพราะมีความต้องการอยู่ตราบใดตรานั้นชื่อว่ายังไม่รักกันประเคน ยังถือไว้อยู่หรือวางไว้ก็แล้วแต่นะี่เป็นผลไม้หรืออาหากรก็แล้วแต่นะครับเรายังไม่ยังมีอะไรอยู่นะต้องการถึงจะไปบางไว้ก็ยังไม่ขาดกระเทงครับอันนี้ไาาด้ด <c oughs> อันนี้นะอะที่ว่าที่ว่ามานี้เป็นเพียงการกล่าวไว้โดยย่ อ, ยอส่วนรายละเอียดข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วในคอมเพียตะกถาภาควินยัยชื่อว่าสมณะฟาสัติกาท่านอย่าพูดตรงนี้ไนมะ่เ เนต้องประเคนใหม่นะแค่โยมเข้ามาจามับเนี่ยไม่ได้ขาดประเคนหรอกนอกจากว่ามีผุนในมือโยมลงไฟใช่ไหมถึงจะขาดประเคนบางทีบ้านนอกบ้านนอกที่ไม่รู้ใช่ไหมเอาพอไปจับแล้วไม่ได้เลยหรือพอโยมมาานันจัดอาหารให้แล้วก็ต้องประเคนมาเอกนะี่ไม่ต้องนะครับพอประเคนไปแล้วไม่ขาดประเคนหรอกนะอย่างคราบการับอย่างบ้านนอกนะตัวในกรุงเคนแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ บางทีดุนะเด็กบ้านมันจับไม่จับก็ไม่โดนนะครับโอ้ทงสองเป็นเด็กว่ามันยังโดนเลานก็จะว่าขาประเดนนจริงทีม่ขาดลนะครับคิงมาปลได้ครับคือถ้าขิงหนอมันก็ออกขึ้นมานะไอต้นนี้งอกใหม่เราไปตักไม่ได้ครับมันถือว่าเป็นเป็นผู้ตัดพี่ชาถ้าล้างอกก็ตักตรงลาไม่ได้พียว่ามันไม่ขาดประเด เขาเราโเคไม่แล้วนะครับแต่คนละข้อกันนะแต่ที่มอบมาใหม่เนี่ตัดไม่ได้นะครับก mm ็ต้องไงกับปิยะซ้อมนะก็ถึงจะมาฉันได้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคไม่แล้วนะครับ mm hmm. นิมเนี่ยฟาเขาบอกอะไรนะี่ยท่านโอเคขำบุ้งทีอยู่างเงี้ยไหมแล้วก็หวังไปในน้นองแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่เต็มน้องเลยของเราโอเคไม่แล้ว mm hmm. <laughs> เออไอคไม่ได้ไม่ได้ ไ, ได้อันนี้มันไปแพ่ทางนี้อัะน้นนะอันนี้จะพูดถึงพูดอู่นิดหนึ่งะครับเกี่ยวกับการสลัดของเนี่ยต้อที่ว่าเป็นสลัดนั้นมันสละัดนะที่มันบอกว่าถ้าจะเอาข้าวสุกให้ในนะครับ ล้าว่าพิสุกเป็นผู้มีความประสงค์จะให้อาหารในบาทท่านจะเอาให้เนรใช่ไหมแต่ว่าแน่สำมเนรเธอจงนําบาทมาจงรับเอาข้าวสุกดังนี้แต่สมมเนรนั้นปฏิเสธว่ากับผมพอแล้วและเมื่อพิสุกกล่าวอีกว่าข้าวสุกนั่นเราสละแก่เธอแล้วสำมเนรยังกล่าวว่ากับผมไม่ต้องการข้าวสุกนั่นดังนี้ถึงยสละตั้งร้อยครั้งก็าตามที ตลอดเวลาที่ข้าวสุกยังอยู่ในมือของตนจัดว่าเป็นของว่าประเคนแล้วเลยและยังถือบาทแล้อยู่ใช่ไหมครับถึงเราจะบอกว่าในร้อยครั้งก็ยังไม่ขาดประเคนนะครับเพราะมูลีถือบารอนะยู่นะนี่นะครับเอามือยังจับบาทอยู่เป็นเกณฑ์ น, นะครับแต่ถ้าว่าข้าวสุกตั้งอยู่บนเชิงรองบาทพระม่ได้ไปจําใช่ไหมเป็ตั้งบนบาทนะครับเชิงรองนะขาบาทเลยนะที่ถูดไม่มีความเสียดายกล่าวว่า เธอจงรับเอาไปแล้วก็ขาดประเคเลยนะครับอันนี้ต้องรับประเคนใหม่นะครับถ้ายิสุยังมีความเสียใจยอยู่วางบาบไว้บนเชิงรองบาแล้วกล่าวกับสมณเณรว่าเธอจงรับเอาขนมหรือข้าวสวยจากบาบนี้ดังนี้นะคะรับสมเณรล้างมือแล้วไม่มีข้าวในหมของเณรที่มั้ที่ติดหมือเณรจะมาในบาปใหนะแค่้นมือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแม้ว่าถือแหวตั้งร้อยครั้ ไม่ถูกต้องของที่อยู่ในบาปของตนเลยใส่ลงในบาปของตนนะครับไม่มีกิจที่จะต้องรับกระเข็นมาเก็ไม่ถากกระเรข็นเขาหยิบว่าของในบารเ้าหยิบว่ากี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับของเ้าก็ยังไม่ถากกระเค็นเพราลมีอะไรแล้วก็แบให้เนแน่ยาวเท่าไหร่ก็เอาไปนะครับแต่เราไม่ได้ให้พระหมงนะอย่างนี้นะครับคือเขาหรือว่าเขาถวายสมใช่ไหมลูกอื่นไม่ได้รับมาสง่าแทน แต่ลูกที่รับประเคนท่านไม่ไดครับเขาจะเอารูกที่รับประเคนนะเดี๋ยวกแบ่งกันหรือยังครับแบ่งกันหรื อ, อยังหรือว่ายังไม่แบ่งใช่ไหมมันก็ยังเป็นของลูกที่รับประเคนอยู่ใช่ไหมครับถ้านยังไม่ได้สละก็ก็ยังมถ่ายนะครับน่าจะว่าแบ่งกันละของใครของมันใช่ไหมครับถ้าแบ่งกันแล้วนะผมเคยถามอาจารย์ เอก่เคยได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นของสงนะตามใดที่มีผ้าพรูปใดรูปหนึ่งท้าอย่างอาลัยอยู่ก็ถือว่ายังไม่ขาดความของสงก็งถือว่าเป็นของสงอยู่นะครับเราะนั้นยอมไปก็ถือว่ามีโทษนี่นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้แต่ว่าไอของที่เรามาเนี่ยเรามาแจากกันใช่ไหมครับอาหารมิราบานี่นะถือว่าได้แจก แก่กันเองที่พิจนารณาการนำคำสาเนี่ยตั้งแต่ท่าเสน้ามาถึงสมเด็จในสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นถ้าโยมาเอาไปแบ่งให้โยบ้านนะเป็นสมเนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีโทษนะครับเพราะถือว่าเราจากันแล้วแต่นี่ของพิสมเด็จถามหรือว่าขา่าวประเคนไหรือที่ข่าวประเคมไม่ได้สลาแต่รูปอื่นมาสลาให้แทนนะครับโดยที่ไม่ได้แบ่งกัน เขาถวายรูปนะ้ําหรือว่าถวายสุมรวมครับถวายสุมรวมใช่ไหมแต่ด้วยนั้นวะ่าเป็นตัวแทนใช่ไหมเป็นตัวแทนรับประเคนเฉยใช่ไหมครับนี่นะเอาว่าถวายพระในทั้งหมดที่นา่ตรงนี้ก็แล้วกันแต่ผมเป็นคนรับประเคนแทนใช่ไหมครับแล้วก็ไรแล้วก็อยู่ ด, ดีดีรูปหนึ่งก็แบโอ้ยพระพอแล้วเยกเอาไปเลยสนร่างไปเลยใช่ไหมครับ ให้เย้มไม่ได้ฉันกนเลยนะหรือฉันก็แล้วมันก็ยังเหลือแต่เรายังไม่ได้สลาใช่ไหมครับผมยังไม่ได้สลากนะออนีสรวมนดีที่ทำกันเนี่ยเข้าใจว่าขาดนกันนะเข้าใจว่าขาดนกันนะครับก็อย่างที่ของสงเราเนี่ยมัสลากแค่รูปเดียวอย่า้แล้วก็ถือว่าขาดแล้วนะครับขาดง่ายใช่ไหมอันนี้ดีลองคิีีทีนะ จะเอาเงี้ยมุมตรงนี้มาวิ่ใช่ครับแต่ที่ตรงนี้เน่ะแค่พี่แขกแกสล่ะเนี่ยเราไม่ได้สล่ะทั้งวัรเราพี่แขกแสล่ะคนเดียวนะเราก็ไม่กล้าไปหยิบอีนะะเ้าก็ไม่กล้าไปหยิบชานี้นะครับผมว่าจะว่าขาและแกสละเพื่อมีใครเอาหรือ่นอกจากว่าเขาประเันให้คนนั้นน่ะแล้วคนนั้นก็ถือว่าเป็นของต้นหนึ่น่ะคนอื่มาสละแทงมันก็ไม่ถ่านนะครับเพราะจ้ของก็ยังไม่ได้สละ นี่อยากจะเอาถือว่าถึงม่มี้าแล้วใช่ไหมแต่เขา่าอาจจะมีจำนว น, นจะไปอีกรอบหนึ่งไหนนี้ใช่ไ้มครับเขาถือว่าแจกกันแล้วน้อถายจเบอกว่าแจกใครสงสัยนะเขาอบอกว่าพ่อผ่านกานรแจกแล้วไม่ได้เป็นของสองแล้วถือว่าเป็นของส่รวมสุ่มกลางอะไรท่้น